15. วิธีดูจิตการดูจิตคือการตามรู้สภาวะของจิตหลังจากที่เกิดอารมณ์ขึ้นแล้วโดยก่อนที่จะดูจิตก็ต้องไม่ไปเพ่งจ้องคอยดูว่าจิตจะมีสภาวะอย่างไรต่อเมื่อเกิดสภาวะใดๆขึ้นแล้วจึงระลึกรู้เช่นเมื่อมีความรักความโลภความโกรธ ความหลงหรือฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็ตามรู้ว่ามีสภาวะนั้นเกิดขึ้นและเมื่อระลึกรู้แล้วก็เสร็จการดูจิตเพียงเท่านั้นไม่ไปบังคับหรือปรุงแต่งจิตต่อไปอีกเช่นโกรธก็ตามรู้ลงไปตรงๆว่าโกรธเมื่อรู้แล้วก็ไม่ต้องอยากให้หายโกรธเป็นต้น